ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องนต่อนี้ไปก็จะขอนาเอาเรื่องพระเวทสันดอนชาดกมาประรบขมรนดาท่านพุทธบริษัทความจริงเรื่องราวพระเวทสันดอนชาดกนี้เป็นที่นิยมขบรรดาญาิโยมพุทธบริษัทมากถึงกับนาเอามาเทศเป็นเทศแหล ก็เป็นการรักษาท่องเรื่องไว้จะเนื้อแท้จริงๆกันฟังชาดกบันดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จประทรงสวัสดีโสภาคต้องการให้ทราบประวัติความเป็นมาในเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดายังไม่ได้มรุอกอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณ เหตุที่องค์สมเด็จพระ毗ชิตมารบรมาสสัสดาสัมมาสัพุติเจ้าจะทรงเทศเรื่องพระเวสสันดรชาดกขบันดาพระสง์ฟังตอนต้นของเหตุก็มีดังนี้คือว่าในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโลกาเทศสาสดาสัมมาสัพุติเจ้าได้ทรงบรรลุอวิเศษสัมมาสัพพติญาณแล้ว ในตอนนั้นองค์สมเด็จพระประทีรแก้วยังไม่ทรงสมเด็จเปเทสโปรดบรรดาพระมู่พระประยุรญาตมีสมเด็จพระราชนิดาเป็นตน้นทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระทศพลทรงทราบอุปนิสัยขบันดาหมู่พระประยุรญาตทั้งหลายด้วยว่าบรรดาญาติทั้งหลายของพระองค์นี้มีทิฏฐิมานะมาก และการที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงเทศโปรดจะมีมักมีผลก็ต้องอาศัยคนผู้รับฟังมีศรัทธาคือความเชื่อแล้วก็มีภาษาทะความเลื่อมใสซะก่อนถ้าขาดศรัทธาความเชื่ อ, อ, า ข, าาาอขาดประสาท่ความเลื่อมใส จริงแม้ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศักดิ์สดาจะเทศเท่าไรก็ไม่มีมรรคไม่มีผลเพื่องการที่จะสนแสดงพระธรรมเทศนาครั้งใหญองค์สมเด็จพระทศพลจริงจะต้องอาศัยพระพุทธญาณตรวจอุปนิสัยของคนเสียก่อนถ้าบุคคลใดตกอยู่ในข่ายพยายามก็องค์สมเด็จพระชินวรเมื่อไหร พตอนนั้นอง์สมเด็จพระจอมไตรยจรึงจะไปเทศปโปรดฉะนั้นการเทศของพระผู้ได้เจ้าจึงไม่เหมือนการเทศของพระสมัยปัจจุบันพระเทศสมัยปัจจุบันนี่เหมือนกับเทศเรียกว่าเทศไม่ได้พิจารณาคนอย่างหนึ่งถ้าจะเปรียบกับหมอก็ไม่ใช่ยาหม้อใหญ่ ใครเป็นโรคอะไรก็กินยาหมอ น, นั้นถ้าบาังเอิญโรคไปตรงกับยาเข้ามันก็หายแต่ส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคมักจะไม่ตรงกับยาที่ต้มให้ดะนั้นโรคจึงไม่หายข้อ น, นี้มีมาชั้นใดการเทศของพระสงฆ์ในสมัยปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะเป็นเทศตามประเพณีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ามีงานศพงานบวชหนกักงานทอดกรถินก็นิมลพระไปเทศเรื่องเทศที่น่าหนักใจที่สุดก็คือเทศงานศพเทศงานประเภทนี้รู้สึกว่าจะเป็นประเพณีมากเกินไปต่นี้เพราะอะไรเพราะสิ่งที่น่ารำคาญใจก็คือว่าถ้าพระยังไม่เทศแกก็ยังไม่ทุบนำแข็งแต่พระเริ่มเทศเมื่อไหร่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายน้ำแข็งก็เริ่มทุบบนสลาเมอ น, นั้นเป็นนะว่าเสียงพระเทศ ก, กับเสียงทุบน้ำแข็งมันดังไม่เท่ากันคนผู้รับฟังก็เลยต้องฟังเสียงทุบน้ำแข็งไปก่อนมีบริการหนึ่งองสมเด็จพระปิชนวรบรมศาสนาเวลาจะไปเทศจริงๆ เมื่อท่านรู้ปฏิสัยของคนแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วก็ต้องพิจารณาด้วยว่าการเทศคราวนี้เราจะเทศเรื่องอะไรจรึงจะมีมรรคมีผลก่บุคคลผู้ฟังแป็ว่าในตอนต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลยังไม่ไปโปรดหมพระปยุรย่าตั้งนี้ก็เพราะว่าหมพระปยุรย่าต น, นเป็นคนมีทิฏฐิมณะมาก ดังนั้นสมเด็จพระพุทธมีพระภาาเจ้าเมื่อทรงบรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสมเด็จพระบทิษแก้วที่ได้ทรงวนเวียนอยู่ในระหว่างกรุงราชคฤึ่มหานครกับกรุงพาราณสี <c oughs> สองเมืองนี้ทรงประด็จวนเวียนไปมากต่อมาเมื่อองสมเด็จพระผู้มีพระผาาเจ้าทรงบรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณได้ประมาณห้าปี พระราชวิดาร ม, มูพระบุรญาที่มีความเลื่อมใสได้ทรงทราบขา่าวองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดิ์สินาสมรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณและก็สอนบรรดาบุคคลทั้งหลายที่รับฟังวัธรรมทีศสนาของท่านต่างคุณก็ต่างได้บรรลุมรรผลเป็นอันมาก ก็ตั้งใจคอยว่าเมื่อไรหนอองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสเสด็จมาโสู่กรุงกบินพัฒมหานครอันไม่จอบอบพิดอดิสอนพระเจ้าสุธโธธนะมหาราชคอยมาเส้นเวลาถึงห้าปีองค์สมเด็จพระจินัสสีก็ไม่ทรงสเสด็จไป จียงเลื่อทรงร้อนใจว่าจะต้องนิมมารัตนาองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมสศาสน า, าไปกรุงกบิลพัฒมหานครเอเจนั้นจอมบอกพิดิสรพระเจ้าสุโธธนะมหาราชจึง่งเลื่ทรงส่งอมตะคนหนึ่งพร้อมปริบริวาณหนึ่งคนให้มาทูนารัตนาองสมเด็จประทศพลไปเทศโปรดที่กรุงกรุงกบิลพัฒน์ เวลานั้นองค์สมเด็จพระทรงเสวัตริโสภาคทรงประทับอยูย่ที่พระวีรวันมหาวิหารในกรุงราชคริสมหานครแต่ว่าอมตะคนนั้นนําบริวารของตนว่าเฝ้าองค์สมเด็จพระทศกลแล้วเคลื่อนมาองค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วสแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเมื่อฟังเทศจบ ท่านมาหามาตด้วยแล้วก็บริวานอีพันคนด้วยต่างคนต่างก็บรุอรตัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นพระอาหารหันต์แล้วบวดแล้วท่านก็นลืมคำสั่งของพระเจ้าสุโธธนะมหาราชตอนนี้ก็แค่จะสงสัยเหมือนกัน สงสัยว่าท่านลืมเองหรือว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้อำนาจประพุทธปฏิหารให้ลืมเมื่อพระเจ้าสุโธนะมหาราชเห็นหายไปนานประมาณหนึ่งเดือนทั้งพันท่านไม่กลับจึงได้จัดอมาตยประเภทนั้นและคนบริวารหนึ่งพันทรงมาทั้งสองสามคราวด้วยกัน เป็นอันว่าทุกคราวท่านทั้งหมดนั่นก็ได้บรรลุมรผลเป็นอราหันต์ไปหมดแต่ก็ไม่มีพระองค์ใดูนอรัตนาองค์สมเด็จพระบรมสุคตให้ไปกรุงก บ, บินภัทมหานครต่อมาจอมบ่อพิอรีสอนพระเจ้าสุทโธธนะมหาราชหนักใจว่าส่งไปเท่าไรก็ไม่มาสักทีด้นเจียงเลย เรียกท่านอุทายีซึ่งเป็นสหชาติคำว่าสหชาติหมายความเกิดร่วมวันเดียวกันกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าคนที่เกิดร่วมวันเดียวกับพระเจ้าเนี่ยมีพันคนเมื่อพระองค์สมเด็จพระทุทศพลคลอดออกมาแล้วพระเจ้าสุโธธนะมหาราชก็สืบว่าวันนั้นมีลูกของใครเกิดบ้าง มารวมได้จริงๆประมาณประมาณพันคนจึงได้นำมาเรียงอุปการะให้เป็นเพื่อนกัน <c oughs> ท่านจะเรียกอุทายีเวลานั้นเป็นมหาม마หผู้ใหญ่เข้ามาแล้วก็สั่งว่าอุทายีฉันส่งคนไปอารัธนาองค์สมเด็จพระจินศสสีครั้งละพันคน เขาไปกันหลายคราวแล้วทุกสมัยทุกหมู่ที่ไปก็ปลากฎไปแล้วก็หายกัไปหมดไม่ปลายกฏว่าอารัธนาให้องค์สมเด็จพระบรมสุคตแม้แต่คณะเขาท่านเองได้กลับมาถ้าเช่นนั้นแล้วก็ไหนๆเธ อ, อก็เป็นสายชาติเป็นเพื่อนเล่นมากับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเด็กจงพาบริวารไปพันคน ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระทศพลและทูลอรรถธนาให้มากรุงรมินภัทมหานครเมื่อพระอุทายีายได้รับคำสั่งจากจอมบ่อพิษอดิษสอนพระเจ้าสุโธตนะมหาราชแล้วก็พาบริวารของตนมาส่งมาที่เอ่อมาเฝ้าองค์สมเด็จพระทศพล ที่กรุงราชครุมหาคนครเมื่อถึงแล้วจึงเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจินวรในพระเวรุวันมหาวิหารในตอนนั้นองค์สมเด็จพระยิตมันก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดปรากฏว่ า, านธนูไทยีและกัมรันดาบริวารทั้งหมดต่างคนต่างก็เป็นพระหรหัน ยุนิพากันขอบวชในสนักขององค <c oughs> ์สมเด็จพระพักควันพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานอุปสมบทบับญชาได้เปล่งเป็นพระวาจาว่าเอหิพิโุซึ่งแปลเป็นใจความว่าเจ้าจงเป็นพิสุรมาเถิดต่อมาเมื่อพระอุทายีบวชแล้วก็คอยโอกาส ที่จะกราทูลองค์สมเด็จพระบรมทีพย์แก้วให้เสด็จไปกรุงราชแครไปกรุงก บ, บิลพัทแต่วันหนึ่งในเมื่อมีโอกาสแทนที่ท่านจะอารัตนาองค์สมเด็จพระบรมโลกนราดโดยตรง <c oughs> ว่าเวลานี้พระพุทธบิดามีพระราชประสงค์ให้พระองค์เสด็จไปกรุงก บ, บิลพัทแทนที่ท่านจะกล่าวอย่างนี้ ให้กลับใช้ลีลาย อ, อย่างหนึ่งคือใช่ลีลาเป็นการพันนาทางเดินระหว่างกรุงราชเกื้คือมหานครกับกรุงก บ, บินาพัฒน์ <c oughs> ว่าระยะทางที่ผ่านมาประมาณหกสิบโยช น, น, น, น, น์เป็นหุ่นทางนี่มีความร่มรื่นเป็นแทนเป็นหุ่นทางนี่มีน่ารื่นรมน่าชมน่าเที่ยวน่าทัศนาจรในชว่วงระหว่างทาง เป็นอันวา่าเมื่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสันดับก็ทราบว่าโอทายีท่านตั้งใจจะรัตนาให้องค์สมเด็จไปกินาสีไปโศกรังกาลินภัทมหาคนครเหตุเชนั้นองค์สมเด็จไปกินนวอร์ยงได้มีพระพุทธดีกาตราออัสถูโอทายีว่าโอทายีดูก่อนโอทายี การพันนาระหว่างทางแห่งกรุงราชกฤห์มหานครกับกรุงราชังกับกรุงก บ, บิลพัทว่าเป็นสถานที่รุ่นเรื่อเร่ร่รื่นน่ารื่นรมน่าชมน่าทัศนาจรอันนี้เราทราบว่าเธอต้องการจะนิมนต์อาตมาไปกรุงราชกฤห์ไปกรุงรกบิลพัทถ้าอย่างนั้นแล้วก็อาตมารับตถาคตรับว่าจะไป ไปเพราะไม่ได้พระบิดูสง์เป็นเจนวนมาก <c oughs> แต่ว่าก่อนที่จะถาคขจะไปเธอจงพาบริวารของเธอพันองไปกรุงกรมินาพัสก่อนไปสงเคราะห์จอมบอบพิษอันดสอนและหมู่พระประยูรดญาติให้เกิดสถา เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดามีพระพุทธดีกาจัดอย่างนั้นราาพระอุทายีก็พอดีพาบริวารพันท่าน <c oughs> รุนแรจะแต่เป็นพระหันปฏิสมิทายานทั้งหมดแม้กราบลาองค์สมเด็จพระบรมสุขศและก็เดินไปกรุงกระบินลพัฒารานครเทศโปรดจอมบอพิษอธิษสอนและวมันดาประชาชนอยู่ที่นั่น ต่อมาภายหลังองค์สมเด็จพระพักควันณปรมาสารย์สันด า, ส, าสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเลื่อนพาบรรดาพระอา ร, าหารหันต์นั้งหลายติดตามไปภายหลังมีประมาณสองหมื่นองเศษ <c oughs> ในการติดตามองค์สมเด็จพระบรมโลกประเทศไปในคราวนั้นแต่ได้ว่าทางระยะหกสิบโยชน์องค์สมเด็จพระพักกวันทรงพระเดชไปวันโยชน์ ไปถึงหนึ่งยอก็ทรงหยุดข้างแรมทำแบบนี้ใช้เวลาซึ่งหกสิบวันทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระพระกักวันต้องการให้พระอุภาอุทายีไปสร้างศรัทธาเสีก่อนด้วยว่าหมู่พระประยชร์ญาติขององค์สมเด็จพระจินนวรนี้มีทิฏฐิมณะมากถ้าใครเป็นเด็จกว่าแล้วก็ไม่ยอมไหว คระ้นมาถึงเวลาเขาผิดหกสิบวันองค์มมมสมเด็จเจ้จอมไตรบรมศาสดาก็เสด็จถึงกรุงกบิลพัฒน์มหานครเอนจอมบอพิษอดีสอนคือพระเจ้าสุโธธนะมหาราชกับบรรดาหมู่พระปยุริยาเจียงได้สเสด็จออกมารับเลยจึงให้พักในมหาวิหารอันหนึ่ง ซึ่งเป็นที่กว้างใหญ่ไพศาลเหมาะกับบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายที่เป็นที่อาศัยแต่ได้ว่าบรรดาหมู่พร ะ, ระยุญญาตท่านหลายก็าองค์สมเนตใสจอมใจบางท่านที่มีอายุแก่กว่าพระพุทธเจ้าก็มีความรู้สึกในใจว่าสิท ธ, ธาราชกุมารเป็นคนชั้นลูกเป็นคนชั้นหลาน ถ้าหากว่าเราจะไหวเธอจะกราบเธอก็ไม่เป็นการสมควรเจ้า <c oughs> นั้นทานดีดแล้วก็คุณเราควรจะจัดบรรดายาติหือลูกหลานท่านหลายที่มีอายุอ่อนกว่าสิท ธ, ธิาราชุบมานให้นั่งขางน้าตัวเองนั่งแถวหลังเมื่อไปเมื่อองค์สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแล้ว บรรดาคนที่เีอายุอ่อนกว่าก็พายกันกราบกันไหวแต่ว่าสมเด็จพระราชีวีดานั้นไส้ก็ทรงถวายและมาเส ก, การตามปกติเพราะว่าท่านเคยไหวมาแล้วถึงสามวาระแต่ว่าบรรดาหมู่พระประโยชน์ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าไม่ยอมไหวสมเด็จพระจอมไตรบรมศสสสดา สังเกตอักับกริยาดั่ำใจขหมเพระอยู่พระก็ยุรญาตผู้ใหญ่ว่ายังไม่มีศรัทธาไม่ควรแกการที่จะแสดงพระธรรมเทศนานี่รบรรดาท่านพุทธบริษัทสังเกตว่าให้ดีว่าองค์สมเด็จพระินสีนเวลาจะเทศคนที่จะรับฟังเทศนี้ต้องเป็นคนมีศรัทธาเคารพในธรรม ถ้าหากว่าคนใด ย, ยังไม่เคารพในธรรมองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้าจะไม่ยอมเทศฉะนั้นการสแสดงพัธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกกับเทศแต่ละคราวจึงได้มีมรรคผลไม่เหมือนกับบรรดาทัืงสาธุชนในสมัยปัจจุบันเวลาที่จะนิ ม, มนต์พระเทศปริงานก็นิ ม, มนต์กันตามประเพณี เมื่อมีมนปลายพระปลายเทตามระเพณีพระก็เลยเทศตามระเพณีเมื่อเทศจบแล้วก็เลยไม่มีผลตามประเพณีเหมือนกันเพราะอะไรว่าใครเคยโกหก ก, หก็โกหกตลอดไปใครกินเหล้าก็ยังกินเหล้าต่อไปใครชอบฆ่าสัตว์ก็ยังฆ่าสัตว์ต่อไปใครชอบประพฤติผิดในกรรมก็ประพฤติผิดในกรรมต่อไป หรือว่าใครชอบเป็นชู้ลูกใครเมียใครก็เป็นต่อไปเป็นอะ้รว่าการเทศกัมมันดาจางสาธุชนสมัยใหม่ <c oughs> <c oughs> การฟังเทศเป็นประเพณีจริงไม่มีผลและนี้มาขอย้อนกล่าวท่าองค์สมเด็จพระทศพลว่าในเมื่อเห็นว่าหมู่พระประยุรญาติไม่มีความเคารพในพระองค์ความจริงพระองค์ไม่ได้ถือตัว ได <c oughs> ้ว่าส่วนใหญ่เขาเคารพแต่ส่วนน้อยที่เป็นญาติผู้ใหญ่ไม่เคารพถือว่าพระองค์งเด็กกว่าดังนั้นจึงอาศัยพระมหากราุณาธิคุณขององค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจา้าหวังจะโปรดหมู่พระบุิญาทให้มีมั่งมีผล <c oughs> องค์สมเด็จโตทศพลเปี่ยนรีส่ว น, นแดงพระปาฏิหาร คือหาะขึ้นไปบนอากาศพระองค์สาเร็จพระบรมโล ก, กันน่ายกวนไปวนมาแสดงความมหัศจรรย์ในตอนนั้นพระเจ้าสุโธธนะมหาราชซึ่งเป็นพระพุทธวิดาลุกขึ้นถวายน้ำเสการด้วยความเคารพแล้วก็ประกาศว่าพันเตภคะวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่าเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะ การถวายนรมตรการท่านนี้เข้าไปเจ้าทำแล้วเป็นวาระที่สามในครั้งนี้คือว่าในครั้งแรกเมื่อค้อดจากพระคันมันดาได้เพียงเจ็ดวัน <c oughs> ในตอนนั้นมีพรามท่านหนึ่งเข้ามาเยี่ยมตอนนั้นสมเด็จพระบรมโลกนาตยังเป็นเด็กเล็กอยู่เขาปรากฏว่าสแสดงปาฏิหาร ไปยืนอยู่บนยอดฉันดาของชัน ด, ดินผู้เข้ามาเยี่ยมตอนนั้นข้าพระพุทธเจ้าก็ถวายนมาสกกายข้างหนึ่งแล้ว <c oughs> และต่อมาเมื่องค์สมเด็จพระปรมทิพแก้วมีอายุได้เจ็ดปีเมื่อบันนั้นเป็นวันแรกนาฝันข้าพรเจ้าทำการพิธีอยู่ปรากฏว่าองค์สมเด็จพระบระมครูนั่งอยู่โคนต้นไทร เมื่อเข้าสมาธิเจรนาปานุสติกรมฐานถึงปฐมฌานแต่ว่าความมาสจั์เกิดขึ้นคือตะวันตะวันคล้อยบ่ายลงไปมากแต่ว่าเงาต้นไม้ยังมีตรงคือเงาต้นไม้ยังคมตรงอยู่คล้ายๆกับเวลาเที่ยงเป็นเหตุมาสจัญเมื่อเข้าไปเจ้าทราบก็ถวายมาส ก, การลาอเกลงบารกเป็นว า, า, าระที่สอง แต่อขั้นมาคราวนี้เมื่อองค์สมเด็จพระมหาวุณีสเสด็จมาข้าพเจ้าก็ถวายมรสการเป็นวาระที่สามเมื่อบรรดาหมู่พระประยุรญาติแห็นความมหัศจรรย์แบบนั้นต่างคนก็ต่างไหว้ต่างคนก็ต่างกราบเมื่อสมเด็จพระเบรมรุน ก, กนานเห็นว่าหมู่พระประยุรญาติคลายทิฏฐิมานะความถือตัว ถ, ถือตนองสมดสดสเด็จตาทศพลเกียงได้เสด็จกลงมา หลังจากนั้นสมเด็จพระบระมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ก็สแสดงพระธรรมเทศนาโปรดการสแสดงพระธรรมเทศนาคราวนั้นขึ้นต้นด้วยขันธ์ด้วยทิ้นห้าคือแนะนําให้บรรดาหมู่พระประโยชน์ญาติทั้งหลายมีความเคารพในพระรัตนตรยัยแสดงที่คุณของพระพุทธเจ้าคุณของธรรมธรรมและคุณของพระอริยสง์ <c oughs> แล้วสมเด็จพระพุทธองค์ก็ไปจบลงในเรื่องอนิส ง, งส์ข้อสีห้าว่ามีประโยชน์เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขเป็นนั้นว่าสมัยนั้นมาองสมเด็จพระพกวนเทศจบก็ปรากฏว่าสมเด็จพระราชบินดาได้รุบรรลุประสงดาปฏิผลนริมมูพระประโยชาตส่วนมากก็ได้มรรคผลไปตามๆกันเมืม่อเทศจบ จบคราวนั้นปรากฏว่าสิ่งมหศัศจรรย์เกิดขึ้นนั่นคือฝนโปกระพัดตกลงมาสำหรับฝนโปกระพัดนี้ไม่เหมือนฝนธรรมดาเธอตกลงมาเป็น อ, องค์สำหรับน้ำมินทำน้ำฝนนั้นมีสีแดงคล้ายเทานกพิราบ <c oughs> ถ้าใครต้องการให้เปียกมากก็เปียกมาก ใครต้องการให้เปียกน้อยก็เปียกน้อยใครไม่ต้องการให้เปียกเลยฝนก็จะไม่เปียกทั้งนี้ก็ว่าเป็นผลจากเทวดาบันดาลครันาานร้นเมื่อองค์สมเด็จพระวิชิตมานบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจา้าเทพจบผลปุกรพัดหายไปแล้วองค์สมเด็จพระบาททิพย์แจวเจี๊ยได้เข้าพักในพระมหาวิหาร ในตอนนี้ปรากฏว่าบรรดาประสงค์ท่านหลายประชุมกันต่างคุยกันว่าเป็นเหตุน้าอัศจรรย์หนอ <c oughs> ที่เราอยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นเวลาแลมปีจะมีเหตุอัศจรรย์อย่างนี้ไม่เคยปรากฏเพราะว่าการที่องค์สมเด็จพระบรมสุคต ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาแล้วบุคคลได้บรรลุมรรคผลแต่ว่าผลปกระพัดจะตกลงมาอย่างนี้ไม่เคยมีั้นเมืองค์สมเด็จพ ร, ระมหามุนีสมทัติทัอยู่ในพระมหาวิหารทราบการที่บรรดาพระสงฆ์สั่งสนทนากันเห็นว่าเป็นประโยชน์ ดังนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทร ง, งเสด็อจออกจากพระมหาวิหารเข้าไปประทับนั่งระหว่างถ้ำกลางสงเมื่อบันดาลสมปอูอัตนะอาสนะถวายแล้วสมเด็จพระบพแก้วก็ทรงประทับนั่งเมื่อประทับนั่งแล้วจึงได้มีพระพุทธ ด, ดีการตรัดถามว่าพิกเวดูก่อนพิสุททั้งหลาย <c oughs> เธอสั่งสมทนากันในเรื่องอะไรบรรดาพระสมนันหลายก็พนาเรื่องราวที่กล่าวมาแล้วให้ทรงทราบองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาจัดว่าพิกเวดูก่อนพิสุสงฆ์ทั้งหลายการที่แตถาคตมีบารมีเต็มได้บรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว และก็สามารถทำผลปุกรพัดให้ตกลงมาได้อย่างนี้เป็นของไม่อัศจรรย์ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องว่าในสมัยเมื่อแต่ฐาคตยังบำเพ็ญบารมีอยู่มีบารมีไม่เต็มสามารถทำผลปุกรพัดให้ตกมาได้อย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นของอัศจรรย์ เมื่อองค์สมเด็จพระพักกวัรบรมัสสานดาสัมมาสาาัมพุทธเจ้าแสดงตรัสอย่างนี้แล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงดุสณีภาพนิ่งอยู่ต่อจากนั้นบรรดาพระสงฆ์นั่งหลายอยากจะให้องค์สมเด็จพระบรมครูทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องราวเป็นมาอย่างไร ยังได้รัตนะนายองสมเร็จพรจอมไตรพรทธมิสซาสันดาส ม, มาสัม พ, พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องนั้นสมเด็จพระพเก ว, วันก็ตั้งใจแสดงให้บรรดาพิสุทธิ์สงสารนั่นก็คือพระองค์ทรงตัดว่าในสมัยเมื่อแต่ฐาคตยังมีบารมีไม่เต็มสมัยนั้นทรงเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรบุญนอพระบรมโพงโพธิสัตว์ สามารถทำให้นโปกระพัดตกลงมาได้เป็นของอศัศจรรย์อย่างยิ่งแต่ว่าวันดายาิโยมพุทธบริษัทชายหญิงสำหรับวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นน่ากลัวเพราะพระพเจ้าคงยังเทศไม่ทันเพราะว่ามองดูเวลาแล้วเหลือเวลาอีกครึ่งนาทีก็จะหมดสามสิบนาทีดังนั้นในวันนี้อาตมาภาพก็ยังจะ นำเรื่องราวที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้ามาเทศเรื่องพระเวสสันดรชาดกยังไม่ได้เพราะเวลาหมดเสินแล้วฉะนั้นอาตมาวันนี้อาตมาต้องขอลาก่อนขอบันดาสาวกุงองสมเด็จพระจินวรทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ทพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจากตุรพิทพนชัยทั้งสี่ประการ มีอายุวันสุขาภาละและปฏิการหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี